มีพุทธานุภาพที่จะทำให้ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายมีพุทธานุภาพที่จะทำให้พ้นจากผลกรรมของตนที่พึงได้รับปัดเต่าให้พ้นจากผลร้ายอันจะเกิดจากผลกรรมที่ตนเองทำไว้ได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนทำกรรมดีจักได้ดีทำกรรมชั่วจักได้ชั่ว เพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ไปส่งช่วยได้ว่าทำกรรมชั่วและไม่ต้องได้ชั่วธรรมะที่พระองค์ทรงสอนไว้กลับกลายเป็นไม่จริงไม่ใช่เป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงคำสอนที่93พระพุทธเจ้าได้ส่งชนะ คือทรงชนะพระหฤทัยของพระองค์แล้วด้วยพระบารมีคือความดีที่ทรงสร้างมาจนบริบูรณ์ใครมีเรื่องจะต้องผจญใจก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงพิชิตมารดังกล่าวนี้เถิดจะสามารถชนะใจตนเองและจะเอาชนะเหตุการ์ต่างๆได้แต่ขอให้ระลึกถึงความตั้งใจจริงจนเกิดความสงบแล้วจักเห็นหนทางชนะขึ้นเอง อย่างน่าอัศจรรย์คำสอนที่94ผู้ชนะนั้นมักเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ได้แต่โดยที่แท้เป็นผู้เสียคือเสียไมตรีจิตของอีกฝ่ายหนึ่งไปหมดสิ้นหรือจะเรียกว่าได้ก็คือได้เวร เพราะผู้แพ้ก็จะผูกใจเพื่อจะเอาชนะต่อไปจึงเป็นอันว่าไม่ได้ความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายส่วนผู้ที่ละได้ทั้งแพ้และชนะจึงจะได้ความสงบสุขทั้งนี้ก็ด้วยการไม่ก่อเรื่องที่จะต้องเกิดมีแพ้มีชนะกันขึ้นแต่เมื่อจะต้องให้มีเรื่องให้แพ้ฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งก็ควรจะต้องมีใจหนักแน่นพอ ที่จ ะ, ะเผชิญได้ทุกอย่างคำสอนที่95ทางที่ถูกควรจะเอาชนะอุปสรรคในทางที่ชอบ และพยายามรักษาส่งเสริมความดีของตนคิดให้เห็นว่าเราทำความดีก็เพื่อความดีมิใช่เพื่อให้ใครชมใครจะชมหรือติเราก็ยังไม่ควรรับหรือปฏิเสธควรนำมาคิดสอบสวนตัวเราเองดูเพื่อแก้ไขตัวเราเองให้ดีขึ้นแต่ไม่รับมาเป็นเครื่องหล่อตัวเองว่าวิเศษเพราะเขาชมหรือเลวซามเพราะเขาติ เขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาเราจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การกระทําของเราเองคำสอนที่96โดยมากอุปสรรคต่างๆเป็นเรื่องหยุมหยิมเล็กน้อยไม่มีสาระ แต่มักจะรับเข้ายึดถือเป็นอารมณ์ควรใจให้เดือดร้อนไปเองจนถึงให้ทอดทิ้งความดีถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นความฉลาดแต่เป็นความเขาของเราเองและทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นผู้แพ้ส่วนการชนะนั้นก็มีได้ประสงค์ให้ชนะในทางก่อเวรแต่มุ่งให้เอาชนะตนเอง คือชนะจิตใจที่ายชั่วของตนและเอาชนะเหตุการณ์แวดล้อมที่มาเป็นอุปสรรคแห่งความดีเพื่อที่จะรักษาและเพิ่มพูนความดีของตนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นคำสอนที่97มานแปลว่าผู้ฆ่าผู้ทำลายล้าง มานข้างนอกคือผู้มุ่งทําลายล้างข้างนอกมานข้างในคือกิเลสในใจของตนเองเป็นต้นว่าความรักความชังความหลงซึ่งบังใจเราไม่ให้เกิดปัญญาในเหตุผลเมื่อชนะมานในใจของตนได้แล้วมานข้างนอกก็ทําอะไรไม่ได้ คำสอนที่98ความดีที่จะทำให้สำเร็จการชนะนั้นก็ต้องใช้ปัญญาค้นหาคือวิธีชนะที่จะไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นความดีชั้นตรีถ้าเป็นการชนะชนิดที่เกื้อกูลเขาอีกด้วยโดยเฉพาะทําให้เขาซึ่งเป็นคนไม่ดีเลิกละความไม่ดีของเขา หรือกลับเป็นคนดีก็นับว่าเป็นความดีชั้นโทส่วนความดีชั้นเอกก็คือความดีที่ช น, นะความชั่วของตนเอง คำสอนที่99สมัยนี้มีผู้ชอบกล่าวว่าเงินไม่มีเกียรติไม่มีนั่นไม่ใช่ความถูกต้องเป็นความรู้สึกของคนบางคนเท่านั้นเงินกับเกียรติมิใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมิใช่เป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได้คนไม่มีเงินแต่มีเกียรติก็มีอยู่ความสำคัญอยู่ที่ว่า เงินที่มีหรือที่ได้มันนั้นเป็นเงินที่จะทำให้เกียรติยศชื่อเสียงสิ้นไปหมดไปหรือไม่ควรจะพิจารณาให้รอบคอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะผู้ที่ยังคำหนึ่งถึงชื่อเสียงเกียรติยศของตนและของวงตระกูล คำสอนที่100การรักษาเกียรติเป็นการรักษาธรรมะอย่างหนึ่งจากก้าวหน้าหรือถอยหลังด้วยเกียรติหรือเพื่อเกียรติก็เป็นสิ่งที่พึงสรรเสริญเท่ากันดังเรื่องราชสีถอยหลังให้แก่สุ ก, กรตัวเพื่อนคูดหรืออุจระไม่ยอมต่อสู้ด้วยในนิทานสุภาษิต จบเสียงอ่านหนังสือร้อยคำสอนสมเด็จพระสังฆราชรวมคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒนมหาเทระ